สถาบันของการศึกษาที่สมบูรณ์แบบไม่ทุกสาขาในชีวิตของเราความทุกข์ความดับทุกข์เหตุให้เกิดทุกข์แต่ดับทุกข์ได้แล้วก็ศึกษาในสิ่งที่มันเป็นไปนได้เรามีสติเราสร้างสติเรารู้สึกตัวนี่ยมันก็ทําได้จริงๆ มือเราก็มีอยู่พิกมือเราก็ลู่อยู่ยกขึ้นเราก็ลู่อยู่เราทำได้แล้วว่าลู้มันก็คือไม่หลงนั่นแหละถ้าตัวลู้มากๆความไม่หลงก็มีมากๆาเขาทำได้จริงๆ <c oughs> น, น, นั้นว่ามีความหลงมันก็ถ้ามีความลู้ความหลงก็หมดไปหมดไปเป็นพักเป็นพักยังไม่ถาวรก็ไม่เป็นไรแต่เขาทำไปเรื่อย ถ้ามันไม่หลงถาวอลเราก็เรียกว่านิโรธถ้ามันหลงยกไปถ้าวอลก็เลยว่าเป็นกระแสแล้วก็ได้ขีมลดต่อเป็นนิพพานก็ได้ขิมดูมันไม่ปรุงมันเป็นวิสังขารสังขารคือมันปรุงวิสังขารคืออันไม่ปรุงเราก็อยู่ตรงนี้แหละทำอยู่ตรงนี้แหละ เราได้มันปรุงเราก็เปลี่ยนไม่ปรุงความปรุงก็คือความหลงความหลงคือความชิดความชิดก็ปรุงไปต่างๆนันาแเราก็เราก็ลบได้เปลี่ยนได้ถ้าไม่เปลี่ยนก็ไม่ถือว่านักปฏิ บ, บัติแต่วิธีที่ทำก็ทำให้มันแม่นๆมเ่าบอกแม่นก็คือรู้แล้วนะอะไรที่เกิดขึ้นกับกายกับใจคือรู้แล้วนะ ถ้าว่ารู้แล้วนะเป็นยอดของสติแล้วเป็นคุณค่าของสตินี่คือสติปัฏฐานถ้าว่ารู้แล้วถ้าเป็นภาษาคำพูดแต่ภาษาปรมัตร์เนี่ยไม่ได้พูดดอกพอเพิกมือขึ้นเน่ยรู้เนี่ยจนรู้แล้วเนี่ะเนี่ยสติปัฏฐานยกขึ้นรู้แล้วเพิ่นไว้ไปมารู้แล้วรู้แล้วรู้แล้วนี่คือสติปัฏฐาน ไมจะคิดไปลู่ความคิดไปครึ่งลูครึ่งหลงไปต่อยตามความคิดไปอันนั้ไม่ใช่สติปัญฐานถ้าสติแบบนั้นใครก็มีได้ศรัทธาและสิ่งกลุลผู้ลร้ก็มีได้แต่สติปัญฐานรู่แล้วลู่แล้วเกาะอยู่ที่เดิมอยู่ที่เดิมไม่ได้ไปไหนนั่งก็บในมิดนั่งก็เราเกาะอยู่ในหลัก ลางน้ำไหลเขี่ยวระ ว, วังเวลาใดมันก็พัดพาเราไปเราก็กลับขึ้นมาเกาะไปอยู่เกาะนานนานเข้านานเข้านานเข้ า, น า, นขาทวนได้น้ำไห ล, แ ล, ลแล้ว ล, ลอกแล้วลลอกลอาก็รูดรูดอยู่ตรงนั้นล่ะอืมความรูดมันก็มีความชํานาญเหมือนกันให้มันชํานาญให้มันรูไปบ่อดให้รูดมากๆให้รูดอยู่รูดอยู่เป็นหลักเป็นหลัก มันก็เกิดความชำเนยชานานได้หลังเราขึ้นลงเขาขึ้นเขาลงเขาขึ้นเขาลงเขามันก็ชํานาญขึ้นใหม่ๆอาจจะเมื่อยล้าปวดขาลายแข่งขึ้น บ, บ่อยๆทุกวันวันละหลายชั่วโมงวันละหลายเที่ยวแต่ว่าไม่ให้เขาสูงๆวันละหลายเที่ยวหลายเที่ยวช่นเดินขึ้นหไัไใจนะ่ะ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 เดินลงไปเรื่อยใหมเดินขึ้นมาเอาข่าเอาของเอาอะไรต่างๆเดินขึ้นเดินลงเอาไปมาเนี่ยมันก็เดินอยู่ธรรมดาไม่ได้ขึ้นไปไหนไม่รู้สึกว่าเหนื่อยเมื่อยล้าอะมันชำนาญ <c oughs> อันนี้ขนาดนั่นก็ยังรู้ได้ทำได้ไม่แปลกการรู้สึกตัวอยู่บ่อยบ่อยความรู้สึกตัวอยู่บ่อยบ่อยมันก็ชำนาญได้ มันก็เลยรอบได้ง่ายที่จะลูบอะไรที่ไม่ได้เจตนาะมันก็ลูบได้อันเกี่ยวกับความลูบนะอันเกี่ยวกับความหลงมันก็ยากที่จะหลงเกี่ยวกับความลูบง่ายที่จะลูบทําไม่ม่มันง่ายที่จะหลงทําไปทำมามันก็ง่ายที่จะลูบความหลงมีแต่ว่าไม่ไม่มีปัญหาอะไรแต่ก่อนความหลงมีมีปัญหาซัดไปหลงไปจนปรุงจนแทงไปเอาไปมา ความหลงกลายเป็นปัญญาเป็นประสบการณ์เป็นความรู้เป็นความชัดเจนเป็นความปราถนาด้วยหลงทีใดจะได้ปัญญาทุกทีเห็นแจ้งทุกทีไอ้ก่อนหลงทลาใดก่อนหลงไปหลงไปเอาไปมาความหลงกลายเป็นประสบการณ์บทเรียนที่เยี่ยมยอดมาก ไอะไรเปลี่ยนความหลงเป็นความโูดได้โอ้ยมีค่ามากหน้าไหว้ตัวเองได้แต่ยิ้มก็ยิ้มตอนนั้นะไม่ปัญญาก็ภูมิใจตอนนั้นหละภูมิใจที่มันเปลี่ยนหลงเป็นรูปเปลี่ยนทุกเป็นไม่ทุกหนเป็นความภูมิใจจุดอ่อนของคนเราอยู่ตรง น, นั้น่ะเราความโูดเราก็ต้องสร้างน่ะ พยันสร้างไปสร้างไปโดยไม่ต้องคิดอะไรไม่ต้องไปคิดอถึงวันถึงเวลามาคิดถึงชีวิตอะไรทั้งหมดเราความทําความรู้สึกตัวมันถูกแล้วสมบูรณ์แล้วมันเป็นกรรมที่เจตนาที่เป็นกรรมดีแล้ว แต่ตั้งต้นจากตรงนี้ก็รับรองว่าจุดหมายปลายทางของกรรมมันก็ลดขิดไปในสิ่งที่ดีเราก็ทำอย่างนี่แหละไม่ต้องไปคิดว่าหนึ่งวันผ่านไปแล้วสองวันสิบวันอาทิตย์สองอาทิตย์ผ่านไปแล้วยังเลยไม่รู้อะไรอย่าไปประเมินทํารู้ไม่ต้องประเมิน <c oughs> มันเป็น การสัมผัสที่มันเป็นความชนิดชนนานต่างหากความรู้ประเมินได้แต่ความาประสบการณ์ความสมัมผัสอยู่เรื่อยๆมันเป็นสิ่งที่ประเมินไม่ได้มันความรู้มันความรู้ความรู้จึกตัวคือมันรู้แล้วละรู้แล้วละอย่างเนี้ยความรู้จึกตัวไม่มากก็ไม่ใช่ประเมิน แล้วก็สร้างเอาสร้างเอาลู้เอาลู้เอาลูไปลู่ไ ป, ไ, ปไม่ต้องเอาเพศเอาไว้ไม่ต้องเอาอชาติภาษาลัทธินิกายต้องรู้สักตัวนะึ <c oughs> น่นี่แล้วก็ทำไปโดยเฉพาะรูปแบบที่เราทำมันก็ช่วยเราได้เยอะเดินจงกรมก็ เป็นรูปแบบที่ชัดนั่งสร้างจังหวะก็เป็นรูปแบบที่ชัดเจนกว่าอริบุตรื่ น, นแต่ถ้าทำไปทำไปทาไปเนี่ยาจะชัดกว่าชัดอยุดทุกอริบุรปิดตาหายใจคืนน้ำลายแต่ว่าวิธีทําหนให้มันเป็นหลักเป็นจุด ลูดที่มือก็ให้ลูดที่มือไปอยากไปจับโนนจับนี่แต่เดินก็ให้ลูดที่เดินไปอารมณ์หายใจก็อารมณ์หายใจลูดไปตั้งต้นใหม่กับฉากใหม่เดี๋ยเรื่อยไปถ้าอยู่ในฉากเดียวมันก็ทําให้พลาดได้เปลี่ยนฉากทำใหม่ใหม่เนี่ยให้หัดเปลี่ยนฉาก สางใหม่มันจึงจะชัดมันก็เราสอนเด็กสอนนาทีน้อยๆชั่วโมงน้อยๆแล้วก็เปลี่ยนเปลี่ยนฉากใหม่ให้เขาได้ไม่เบื่อที่เป็เราบางทีเราหหมเกินไปมันก็กลัวนะเราจะนั่งสร้างจังหวะมันกลัวแล้วกลัววิธีกลัวของมันก็คือง่วงนะเครียดนั่นแหละคือจะเป็นเรื่องยากนั่นแหละมันในั่ง สร้างจังหวะมันเป็นเรื่องยากพปเดินจงกรมก็เป็นเรื่องยากมันเดินไปเล่น น, น้นเลื่อนนี่ก็คือง่ายกว่ามันเครียนเกินไปชีวิตเราบางทีไม่ต้องเครียนเหมือนวัวบางตัวไม่ต้องเครียนมันรู้แล้วมันพยายามของเขาอยู่ของพ่อเคยฝึกคัวเทียมเกวียนเคยฝึกกวัวเทียมคาดเทียมไถบางตัวมันรู้กว่าเรา มันรูดหลบรูดเหลิกเวลาไถมันถูกรากไม้ในดินเราไม่รู้เท่ากับมันเลยเราพยายามเขี่ยมันมันไม่ไปเขี่ยทแยมมันก็ยิ่งถอยเขี่ยทแยมก็ยิ่งถอยแต่คนที่ไม่ฉลาดที่ไม่รู้ไม่สังเกตก็โกรธให้ควายตัวเองเี่ยทแยมมันก็ไม่ไปหรอกเด็กหัวมันก็วัดหัวก็มองหน้าเราหมวกมองหน้าเรา มันอะไรกันพอมือจกล่วงลงไปในน้ำในดินเห็นไหนได้ไถมันไปนถูกรากไม่อยู่ในดินโอ้ยพออยากกราบไหว้คุยตัวเองนะเรามันโง่ตังหากชีวิตเราบางทีก็ไม่ต้องต้องเรียดมันมันลู่อยู่แล้วมันง่ายอยู่แล้วไม่มีใครจะชั่วถึงที่สุด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 การรู้สึกตัวก็เป็นศีลรักษาศีลแล้วรักษากายวาจาให้เรียบร้อยก็เป็นศีลนะเราไม่ได้ไปด่าใครเราไม่ไปฆ่าใครไม่ไปคิดอะไรที่ไหนเราก็สำรวมอยู่ตาเราก็ไม่ไดไปมองโน่นมองนี่หูเราก็ไม่ได้ไปชอบลูกลี่ลูกลนไปฟังเสียงเพลงไปฟังเสียงอะไรต่างๆไม่ได้ไปเรานั่งอยู่นี่แล้วนกยกมือร่างจังหวะอยู่เนี่ย มันผ่านบากมาแล้วมันถึงที่ได้พักแล้วมันก็เรานั่งอยู่ศาลาไก่ฝนตกลงมาเราก็ไม่เปียกแดดออกก็ไม่ถูกเราจังก็โดดลงไปไม่ใช่แต่ลรู้อยู่นี่ก็ถูกแล้วลรู้สึกตัวอยู่รู้สึกตัวอยู่นี่ตั้งค่อยตั้งมันกับเด็กตั้งไข่ล้มลงไปกับลุกขึ้นนั่ง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 เเรานั่งพักผ่อนไม่ใช่พี่แพ้เราทำไปทำไปมันก็เมื่อยเป็นร่างกายก็นอนลงไปนั่งหลับตาหายใจสงบลงไปเราพักเพื่อจะสู้นะเราไม่ได้พักเพื่อปาลาชัยพ่ายแพ้มันเราปั่นกันา จับจอบขุดตึงติดขึ้นกันหน่อยจับบมบอมบมมันหลายชั่วโมงก็มึนลมมมมแล้วก็วางด้ามจอบเป็นนั่งนั่งเนี่ยตามันยังดูคันนาอยู่มันยังดูด้ามจอบอยู่แต่ไม่ได้ทำแต่มันดูใจมันอยู่โน่นนั่งแล้วหายใจนั่งเงอไหลโซมหย ใ, ใจมันยังขึ้นสู้ นังฟกซ น, น่อยลูกคนไปจับด้ามสอบได้แรงให ม, ม่เยี่ยวยากำลังขึ้นหนยจับทำไปอีกหลายชั่วโมงนั่งอีกอมไม่ได้แพ้เลยการนั่งไม่ใช่ว่าเราจะ<ม>ลุ่มตะวันตะเอเลยมันก็ออาไปมาก็เจ็บใครได้ป่วยไม่ไหว<ม>บางคนนะปัดสว่าเป็นเลือดก็ไม่สมัยก่อน การทำความเพียรการเดินจงกลมบางคนเพื่อนของผมเนี่ยใส่เลื่อนก็มีผมก็ทําท่าจะเป็นเหมือนกันชวนกันไปซื้อกางเกงชั้นในมาใส่ผมไม่ใส่เอาไปมามันหายยังไงไม่รู้นะหายเลยแต่ก่อนเจ็บด้วยเต้นไปบ่อยดอกดขาก็แตกแล้วนี้ไม่แตกเลยอ่า ใช่ก็ไม่เลื่อนเลยหายไปไนไม่รู้ทำท่าจะเป็นมันอะไรไม่รู้ทําใหม่ๆเนี่ยหลายเรื่องหลายราวองค์ก็จะเป็นใข้เป็นร้อนเป็นหนาวไปไม่เป็นไรอย่าไปกลัวอะไรก็ตามแต่ว่ามันก็ไม่ได้ใช่ชนะมาฟปี่ยมันต้องสู้กับอะไรหลายๆอย่างการเจริญสติสู้กับความหลง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 บางทีธรรมชาติจะจัดสรรตัวเรา <c oughs> จัดสรรตัวเราเหมือก็คนทวนเนี่ยปวดม่อยนิดหน่อยกินยาปวดหายทันใจเพื่อจะเอาชนะการปวดของร่างกายพอมันง่วงเอ้าไปนอนชเพื่อจะให้มันหายง่วงอะไรนิดหน่อยไอนิดหน่อยออกกินยาเอาถายนิดหน่อยกินยา ก็ไปมามันไม่เก่งหรอกสู้แบบปล่อยปล่อยลองดูาำธาจะเป็นหวัดเป็นไข้เล็กหน่อยลวกทางที่ไม่ต้องกินยาไว้ก่อนปล่อยให้มันช่วยตัวมันเองใช่ไหมคุณหมอแ <c oughs> ล้วพ่อคิดอยนน่นั้นนะบางคนเดี๋ยวปวดอะไรเล็กหน่อยกินยาแล้วไอเล็กหน่อยอั่นพ่อใหญ่หนูถ่าย มาข อ, อยากับหลว ง, งพ่อหลวงพ่อไม่ขอซาเลยเฮ้ยซาอะไ ร, <c oughs> ะไรให้มันถ่ายสักสองวันเนี่ยก็ไม่เป็นไรเขาก็กลัวตายไม่กลัวอะไรถ้าไม่กินลองดูให้มันถ่ายเดีวายหลวงพ่อเคยนะข อ, ข อ, อไปไปอยู่สวนโมกอะไปอร่อยสิบสี่ไปก็ ไ, ปไม่มีคนรู้จักสักคนแล้วไปอยู่ที่นั่นมันก็มันก็ มันก็ธรรมชาติมันก็ดีไปกินอาหารใต้เรากินอาหารอิสานหลบอยู่รลบไปกินอาหารใต้มันก็ปรับสังเกตดูนะมันก็ถ่ายนั่นแล้วในคืนนั้นถ่ายจนเดิน ล, ลงไปในห้องน้าไม่เกือบไปไม่ไหวมันก็หมดแรงแล้วหมดแรงแล้วก็ไม่เราก็ได้พอดีเมีกระถน แล้วก็ได้ผ้าขนุนมานอนเอาผ้า น, นุ่มเปลี่ยนออกก็ผ้าข น, น, นุนนอนนอนโต๊ะใส่กระถินเลยแค่แต่มันจะออกมันหมดแรงนะก็ <c oughs> คิดว่าอ้าวถ้าตายนี่ก็ตายอยู่บนกตินี่แหละคงก็มีใครมาเห็นอาจจะเหม็นสี่ห้าวันหกวันแต่จะมีกลิ่นเหม็นพราวัดูจะเห็นคนตายเขาคงเอาไปทิ้งลนะ่ะก็คิดเล่นๆไปสนุกแบง เราจะไปเรียกใครมันก็ไม่มีเราก็ไม่คิดว่าจะไปเรียกใครอีกด้วยคิดว่าโอ้เอ้ามันถ่ายมันก็ถ่ายไม่ต้องเก็บปวดต้องมอมันถ่ายสบายสบายนอนใจนี่โอ้สบายแลยพอมันก็ไม่รู้ว่ามันหลับหรือมันเป็นยังไงมันก็หายตัวไปทันทีพอตื่นขึ้นน่แข็งไปหมดรอยก้นน่ะอ่าโคตรอะไรมันแห้งติดตัวโอ้ลุกขึ้นมา ลงไปอาบน้ําไม่แรงขึ้นหน่อยอาบน้ําล้างซักผ้าซักกติของตดนล้างสะอไปฉันข้าตอนเช้าได้เพื่อนอืมมันก็เจ๋งนะถ้าเราใจของเราอะไรนิดหน่อยก็โอ้ยมันก็เจ๋งเลยทุกวันนี่ไม่ค่อยกินอยู่กินยาอะไรยาพวกแก้ปวดนี่เลิกลากันทีเะพวกเราไม่ต้องไปกินมันปล่อยให้ร่างกายมันช่วยของมันธรรมดาธรรมดา อบางทีเราไปเอาชนะธรรมชาติมันก็ยิ่งอ่อนแอโครงการเจริญสติก็เช่นกันเป็นดัดไปแปลงอะไรให้ทํำง่ายง่ายลุกไปไม่ต้องเอานั่นเอานน่บางทีจุดทูบไว้หนึ่งดอกถ้าทูบไม่หมดจะไม่ลุกเวลาเดินจุดทูบไว้ถ้าทูบไม่หมดจะไม่นั่งอ่นไม่ต้องหรอก ทำไปเรื่อยๆไปตามเหตุตามปัจจัยแต่ว่ารู้ๆผมรู้จึกตัวเนะี่ยจะอยู่ในฉากไหนเราก็จะต้องรู้ว่ามันหลงก็จะต้องรู้ยืนลุกอะไรก็ต้องรู้บางทีอริบทที่เราตั้งไว้มันไม่ทันกับเหตุปัจจัยเราจะไปลู่ล่องหน้าไม่ได้โยงกัดก็ไล่ได้ในการปฏิบัติธรรม อย่าไปลู่ก่อนลู่เห็นก่อนเห็นถูกก่อนถูกผิดก่อนผิดเอาเหตุเอาปัจจัยเนี่ยหลงเวลาใดเปลี่ยนลู่ได้ถ้าปวดเวลาใดก็กําหนดลู่โดยการลูก่กําหนดลู่โดยการบันเทากําหนดลู่โดยการละถึงข่าวอดทนก็อดทนถึงข่าวที่จะอบันเทากับบันเทาไปเดินอยู่ มันปวดมันเมื่อยเล้วสองชั่วโมงแล้วสามชั่วโมงแล้วก็ให้มันเกินเหนื่อยไปเกินเหนื่อยไปจะให้ความเหนื่อยมาบังคับหรอต้องอยู่มันปวดก็ยังให้ความปวดบังคับหรอ่มันเกินไปทั้งหน่อยเวลาถ่ายนาหัดควายถ่ายนาเวลาถนามันไถเป็นงานพอถ่ายเสร็จควายมันก็รู้นะ พอมันเสรมันเยียบร่องมันไม่มีเพราะมันไถเสร็จมันก็ลูกพมันเสร็จไถไม่ได้ปักแล้วเพราะมันเปล่าก็งองหน้ามองเร่องก็จนจะออกจากงานที่เราไถล้วก็ให้มันออกไปพอออกเราไปปดทันทีมันไม่ได้บางตัวเพราะว่ามันลูกมันก็ออกวิ่งออกมันเคยปดก็วิ่งออกบางทียกไถข้ามคันาไม่ทันมันก็ปลดไปเวลามันวิ่งออกปดทุกทีเวลามันวิ่งออกปดทุกที ไม่ได้อ้าวพอมันวิ่งออกเราก็ไปแลกงานใหม่อีกไถ่รอบอีกสองรอบสามรอบจ น, จนให้มันเดินปกติถ้ายังไม่ไหมดปดปดปดปดดปอยากให้เราปดไว้เราก็ไถไปแต่มันยังผิดปกติเราก็ต้องไถอยู่นะไถไปไถไปจนมันเดินปกติเราก็ปดกลางกลางงานนะไม่ต้องออกไปตรงไหนปักไถไปตรงนั้น มันเดินปกติก็ปักเก้ามาหยุดพดไทยออกนี่เราหัดตัวหัดควยส่นที่สุดเวลาเราต่อไปงานหน้าพะไทยเสียันก็ไม่ได้วิ่งพอดพูกพอดพาดก็เดินธรรมดาหัดตัวหัวเทียมเกียนก็เข่นกันบางทีเกลียนกำลังติดหล่อมตีมันตั้งตอนเจ็บมันก็จะดันอยู่ยังไปตีมัน ทั้งที่มันดันอยู่หนักเต็มทีแล้วแล้วคนขับก็ยังไปตีมันอยู่มันก็เจ็บมันก็ก็ทิ้งแอกดิ่มก็ปวดแอกนี้ไปพอมันถูกลมที่ใดมันดันที่ได้ตีมันทุกทีมันก็รู้แล้วว่าถ้าตกหนักอย่างนี้คนขับตีเราแล้วก็ปวดแอกก็เลยเป็นวัวไม่สู้ชีวิตเราก็เช่นกันทั้งคราวที่มันยากนอย่าไปถือว่า แต่แพน่มันมีความชนะอยู่ตรงนั้นก็ได้ความยุ่งความยากในแต่ความทุกข์ความอึดดัดขัดเคืองความอะไรต่างๆอาจจะวิเศษอยู่ตรงนั้นก็ได้เราเรารู้มันว่าตัวไหนมันตกลม้มลงโคลนดันเกลียนอยู่เราก็พูดกับมันดีๆลบหลังมันไปไปไปไอ้นวลไอ้แดงไป มันก็ได้ใจมันก็ไปของมันไปอย่างวัวอะไรใช่ไหมสันสวัวสันวนั่นที่นันทินันที่พิสานไปแข่งกันพอเจ้าของไปแข่งกันเพื่อจะเอาเงินพอวัวเทียมเกินลงไปมึงขี้ข่าไอ้ชาตหมามึงต้องไปไอข่าไอาธาต ไ, ไอด่า ม, มันไม่ไปเลย เจ้าของก็แพ้แล้วบ้นเสียใจร้องให้แล้วก็เอาใหม่อีกเปลี่ยนใหม่พอเทียมขาวหน้าข้าวหลังเนี่กยก็ไอ้เจ้าพ่อไอ้ลูกข่อไอ้ลูกข่อยังช่วยพ่อดันพาเปลี่ยนห้าร้อยไปได้เลยชีวิตเราก็มานกันต้องเคลียร์ตัวเองนะ ยกนิ่วให้ตัวเองคนอื่นเขาเจงก็ไม่ต้องสนใจเราเคลียตัวเราเราก็คนหนึ่งละคิดอย่นั้นสมัยก่อนอาจะเป็นอย่างนั้นพระเจ้าจะเออฮะองนั่นได้วันลุธรรมแล้วได้บรรลุเป็นวระหันแล้วอัญญ า, า, าสีอัญญาสีวัฏฏโฟกนทันโยอัญญาสีวุฏฏโฟคนทันโยอัญญาลู่แล้วอัญญาลู่แล้วเป็นพระละหันเกิดขึ้นในโลกเป็นพระเรียสงเกิดขึ้นในโลกเป็นรูปหนึ่ง ญาสอันญาสีวัตถโปคนทันโยเอาแล้ววัปปะพัติยามหานามะคงจะน้อยใจเออก็มาพร้อมกันบวชพร้อมกันทําไมเขาลุ ก, ก่อนเราเอาจจะเสียใจนะแต่ว่าไม่เป็นไรวัปปะพัติยามหานามะอา้าวเราก็คนเหมือนกันเราก็คนเหมือนกันนี๋ยวเดี๋ยวอนุทนา วันที่สองวันที่สามออกไปก็นลูกกันทั้งหมดเลยอ่าเราจะพูดกับเราแบบลูกข้อนี้แม่นี่ยเล่าแล้วลคนหนึ่งก็ว่นี่ก็ได้ไม่เป็นไรเราก็หนึ่งเขาคิดหนึ่งเราก็หนึ่งเหมือนกันเราทํำไมเราทำไมได้ก็ลูกแช่นี้นะเวลาใดมันคิดเราก็ลูกของเราก็เปลี่ยนมาเป็นตัวลูกก็เปลี่ยนได้นี่กันอย่างนี้นะการปฏิบัติทํา จัดสรรจัดการกับตัวเองให้ถูกกาละเทศะการบรรลุดธรรมอาจจะไม่เหมือนกันทั้งหมดมบางทีฉลิตนิสัยของเราชอบเรียบเรีย บ, ยบง่ายง่ายทำไปบางคนเรียนหนังสือบางคนขย่านไม่รับไม่นอนบางคนเขาก็ไม่ขยันธรรมดาธรรมดา <c oughs> สอบ <c oughs> เรียนเจงได้ช่างสังเกตสร้างแก้จุดอ่อนของตัวเอง กำหนดลู่ลยลู่ฟบทเรียนขโมยเอาก็มีขโมยเอาไม่ต้องซสืนะ่อหน้าช่วยโอกาสอยู่ต้องไหนช่วยโอกาสไปบินทบาทช่วยโอกาสบานทีเราได้โอกาสจากคนอื่นเรนไปบินทบาทด้วยกันเราชวนแวะเจ็บผักเขาก็คุยอสอนลักษณะจินผักแบบไหนก็พูดนะแบบอ่า อะไรต่างๆเขาเจ็บผัก ก, กาดยาเขาสอนวิธีกินเขาคุยหลงตัวไปแล้วก็ฟังเขาพูด oh. เพื่อนของเราหลงแล้วเพื่อนของเราหลงแล้วเราจะพยายามมันไม่หลงเหมือนเขาเขาพูดอย่างนี้จะได้ว่าเขาหลงตัวแล้ว oh. นี่เราก็ช่วยโอกาสขณะที่เพื่อนหลงเราไม่หลงเราจะไปพูดแบบนี้นก็ได้บทเรียนจาคนอื่นบ้างนี่นะ อันนี้ผมก็จะได้ไปไปจะไปนอนเสร็จให้อ่ามันที่สิบสองชาวบ้านจะมาทำให้เอาไปชมกันทำอะไรอ๋อ ท, ทำกติกครับทำมันก็นาวบ้นแม่ก็จะพาแล้ว ก, กนมาทำให้จะไปอยู่นั่นเสร็จจะไปวิยนตะบาดพิอมกันเลยกลับหาพร้อ